เพื่อมาศึกษาฟังเทศฟังธรรมหาความรู้หาความจริงของชีวิตที่จะทําให้เราได้รู้ว่าอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของปลอมอะไรเป็นของเราอะไรไม่ใช่เป็นของเราถ้าเรารู้เราก็จะได้หาแต่ของจริง ของปลอมเราก็จะไม่หาหาแต่ของที่เป็นของเราของที่ไม่เป็นของเราเราก็จะไม่หาให้เสียเวลาไปเปล่าๆพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าของจริงนั้นอยู่ภายในใจของเราส่วนของปลอมนี้อยู่ภายนอกใจของเราของที่อยู่นอกใจได้แก่อะไร ก็คือล่ามกายลามยธสรรเสริญสิ่งต่างๆทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้ของเป็นของปลอมของจริงนั้นอยู่ภายในใจของเราและการที่เราจะเข้าถึงของจริงของแท้คือความสุขแท้ความสุขจริงได้เราก็ต้องทาทานรักษาศีลและภาวนา นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เราหยุดหาของปลอมกันหยุดหาของที่ไม่ใช่เป็นของเราแล้วให้เราเข้ามาหาของที่เป็นของเรากันถ้าเราไม่ทำตามพระพุทธเจ้าเราก็จะได้แต่ของปลอมของที่ไม่ใช่ของของเราเวลา เราตายไปเราก็ไม่ได้เอาอะไรไปกับเราเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่เป็นของเราไม่ได้ให้ความสุขกับเราแต่กลับจะให้ความทุกข์กับเราเวลาที่เราต้องจากโลกนี้ไปโลกนี้ก็เปรียบเหมือนกับลงภายนั์นี้เองโดนส่วนใจของพวกเรา นี่ก็เป็นเหมือนคนมาดูภาพยนตร์เวลาเราเข้าไปดูภาพยนตร์เราก็ตื่นเต้นดี อ, อกดีใจเสีย อ, อกเสียใจกับภาพยนตร์ที่ปรากฏขึ้นมาให้เราได้ดูแต่พอภาพยนตร์จบลงเราก็เดินออกจากโรงภาพยนตร์ไปโดยที่เราไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปกับเราเลย ฉันไสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นเหมือนภาพประโยชน์ที่เรามาสัมผัสรับรู้เท่านั้นเองเราสัมผัสรับรู้ว่าเราได้ร่างกายนี้ได้แต่ร่างกายนี้แล้วก็ได้สิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายนี้เราเรียนหนังสือเรียนจบเราก็ไปทำมาหากินหากินได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ได้สามีได้ภรรยาได้บุตรได้ทิดาได้ทรัพย์สมบัติข้างของเงินทองได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้ดื่มได้รับประทานอาหารเครื่องดื่มต่างๆแต่ในที่สุดพอร่างกายนี้ตายไปสิ่งต่างๆที่เราได้มาหาได้มาก็หายไปหมดสิ่งที่ เราได้ไปก็คือความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวความหิวความอยากความเสียดายความเศร้าโศกเสียใจเวลาที่เราต้องสูญเสียสิ่งต่างๆไปนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่รู้ความจริงว่าสิ่งต่างๆที่พวกเรากําลังหากันอยู่นี้กําลังมีความสุขกันอยู่นี้เป็นของชั่วคราว เป็นของปลองเป็นความสุขปลองเพราะจะต้องให้ความทุกข์กับเราเวลาที่เราต้องสูญเสียสิ่งต่างๆที่เรารักไปนั่นเองถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้ว่าของจริงของแท้ที่ของที่เป็นของเรานั้นอยู่ภายในใจของเรา พอเราได้พบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าเราก็จะได้รู้ว่าของจริงของแท้นั้นอยู่ภายในใจของเราและการที่เราจะได้ของจริงของแท้ของที่เป็นของเรานั้นก็ต้องอยู่ที่การทําบุญให้ทางอยู่ที่การรักษาศีลอยู่ที่การภาวนา เพราะถ้าเราสามารถทำทานได้รักษาสีลได้ภาวนาได้เราก็จะได้ของแท้ของจริงคือเราได้ทรัพย์ที่แท้จริงทรัพย์ที่ทำให้เราเป็นมหาเศรษฐีการที่เราจะเป็นมหาเศรษฐีนี่ไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินทองที่เรามีมากมีน้อยถ้าเรามีร้อยล้านพันล้าน แต่เรายังไม่พออย่างนี้ก็เรียกว่ายังไม่ได้เป็นเศรษฐียังไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีเพราะยังอยากได้ความอยากได้ก็จะทำให้เราเป็นเหมือนขอทานขอทานจะเป็นเศรษฐีได้อย่างไรก่อนที่ยังมีความอยากได้เงินทองเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆก็เป็นเหมือนกับขอทานดีๆนี่เองจะเป็นเศรษฐีได้อย่างไร ถ้าเป็นเศรษฐีก็ต้องเป็นคนที่มีความพอนั่นเองพอแล้วมีมากเกินไปแล้วมีสมบัติร้อยล้านพันล้านนี่กินไปอีกสิบชาติก็กินไม่หมดแล้วจะเอาอีกทำไมแต่ใจนี้มันไม่ได้อิ่มตามเงินทองที่ได้มาแต่มันกลับทำให้เกิดความต้องการเกิดความอยากได้เงินทอง เพิ่มมากขึ้นไปอีกนี่ยดังนั้นการที่เราจะมีเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็จะไม่ทําให้เราได้เป็นเศรษฐีที่แท้จริงผู้ที่เป็นเศรษฐีที่แท้จริงก็คือผู้ที่มีความพอไม่ต้องการเงินทองถึงแม้ว่าจะมีมากมีน้อยก็พอแล้วก็มีใจกว้างขวา ง, วางมี ใจเมตตากราุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันให้ทานอยู่อย่างเสมอนะเก็บไว้เพียงเท่าที่จำเป็นต่อการดำรงรักษาชีวิตเท่านั้นนะนี่แหละคือเศรษฐีที่แท้จริงคือผู้ที่ไม่ต้องการเงินทองของใครจากใครทั้งนั้นพอกับสถานะของตนเอง แล้วถ้ามีเกินมีมากเกินความจำเป็นเกินความต้องการของชีวิตของร่างกาย <c oughs> ก็จะไม่หูมเก็บเอาไว้อ <c oughs> ิ่าดีที่จะแจกจ่ายแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ดกทุกได้ยากเหนอนอนนี่คือเศรษฐีที่แท้จริงผู้ที่จะเป็นเศรษฐีที่แท้จริงนี้ด้ใจต้องอิ่มใจต้องพอ และการจะทําให้ใจอิ่มใจพอได้ก็ต้องทําทานไม่ใช่ขอทานต้องให้ไม่ใช่ขอขอเอามาทําไมในเมื่อเราพอมีพอกินแล้วเอามาก็จะทําให้เราเป็นขอทานแต่ถ้าเราให้เราก็จะเป็นเศรษฐีแล้วเราก็ต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น เศรษฐีจะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นพวกขอทานทางหากพวกโจรผู้ร้าย่างหากที่จะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นื อ, อไปฆ่าผู้อื่นไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไปประพฤติผิดประเวณีไปแย่งสามีภรรยาบุตรธิดาของผู้อื่นโดยที่เขาไม่ได้อนุญาตแล้วก็ไปโกหกหลอกลวงผู้อื่น เพื่อหวังผลประโยชน์ที่จะได้จากการโกหกหลอกลวงแล้วก็ไปเดิมสุรายาเมาสร้างความมึนเมาให้กับตนแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนี่ไม่ใช่ลักษณะของเศษรษฐีเศรษฐีคนร่ำคนรวยคนที่มีความอิ่มมีความพอจะไม่ทำกิจกรรมเหล่านี้ กิจกรรมหลังนี้เป็นจิจกรรมของขอทานของผู้ที่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้ายังอยากอยู่ก็แสดงว่ายังเป็นขอทานอยู่นั่นเองแล้วเราก็ต้องมาทําใจให้อิ่มให้พอด้วยการภาวนาภาวนาก็มีสองขั้นด้วยกันขั้นแรกเรียกว่าสมถะภาวนา ขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาสมถตาภาวนาก็เป็นการที่จะหยุดความอยากของใจใจนี้อยากเพราะอะไรอยากเพราะความคิดพอคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ก็อยากไปทำเรื่องนั้นทำเรื่องนี้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเราควบคุมความคิดได้ ไม่ปล่อยให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใจก็จะไม่มีความอยากใจก็จะสงบนิ่งได้สิ่งที่จะควบคุมไม่ให้เราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ก็คือการท่องคําว่าพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับไม่ว่าเราจะทำอะไร ถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับการงานเราก็ท่องพุโทโธไปอยา่าเผลอปล่อยให้คิดเดี๋ยวคิดถึงขนมก็อยากจะกินคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากจะดื่มคิดถึงแฟนก็อยากจะได้อยากจะมีแฟนอยากจะไปหาแฟนคิดถึงสถานที่ต่างๆก็อยากจะไปเที่ยวพอเกิดความอยากแล้วทีนี้ก็จะเกิดความทุรนทุราย อยู่ไม่เป็นสุขจะต้องเดินรลเข้าหาสิ่งที่อยากได้ทันทีแล้วการที่จะหาสิ่งต่างๆได้ก็จําเป็นจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเงินทองมีรถยนต์ถ้าไม่มีเงินทองไม่มีรถยนต์ก็จะต้องไปหามาก็ต้องไปเหนื่อยกับการทามาหากินถ้าหาไม่พอก็อาจจะต้องไป ชอบโกงไปลักทรัพย์ไปทำผิดศีลผิดธรรมขึ้นมาเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมความอยากเราได้เราไม่สามารถควบคุมความคิดของเราได้เพราะเราไม่ท่องพุโทโธกันถ้าเราบริกรรมพุโทโธท่องพุโทโธไปทั้งวันใจของเราจะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้หรือเวลาไปคิดเราก็ต้องหยุด พอคิดถึงขนมก็ต้องพุทโธพุทโธไปพอคิดถึงเครื่องดื่มก็ต้องพุทโธพุทโธไปแล้วเราก็จะได้ไม่ไปคิดพอไม่ไปคิดแล้วความอยากก็จะไม่เกิดขึ้นมาเราก็จะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขอยู่กับความพอได้นี่คือวิธีทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิต้องใช้การควบคุมความคิด ด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปแล้วถ้าเราอยากจะทำลายความอยากให้หมดไปเพราะว่าการบริกรรมพุทธโธนี้จะหยุดได้เพียงชั่วคราวเวลาที่เราเผลอไม่ได้บริกรรมพุทธโธขึ้นมามันก็จะเกิดความอยากขึ้นมาใหม่ถ้าเราอยากจะหยุดความอยากอย่างถาวร เราก็ต้องพิจารณาความจริงว่าสิ่งที่เราอยากนี้มันให้ความสุขกับเราหรือให้ความทุกข์กับเรากันแน่สิ่งต่างๆที่เราคิดว่ามันจะให้ความสุขกับเราพอเราได้มาแล้วเราจะมีความรู้สึกสุขกับเขาหรือทุกข์กับเขาเสียมากกว่าพอเราได้อะไรมาแล้วเราก็อยากจะให้สิ่งที่เราได้นี้อยู่กับเราไปนาน เราก็ต้องมาทุกข์กับความวิตกกังวลว่าจะหายไปหรือเปล่าจะมีใครมาแย่งไปหรือเปล่าเช่นได้แฟนมานี่ก็ต้องกังวลแล้วว่าแฟนนี้จะซื่อสัตย์กับเราหรือเปล่าจะรัดเราไปตลอดเวลาหรือเปล่าหรือว่าเขาจะแอบไปมีแฟนที่ไหนหรือว่ามีคนอื่นจะมาแย่งเขาไป หรือว่าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องตายไปก่อนเวลาที่อันควรเช่นไปเกิดอุบัติเหตุสิ่งเหล่านี้มันทำให้เรามีความสุขหรือมีความทุกข์กันแน่ต้องลองถามตัวเราเองดูเวลาที่เราไม่มีเขาเราต้องทุกข์กับเขาไหมเราต้องหวงไหมเราต้องห่วงไหมเราต้องเสียใจไหมเวลาที่เขาไม่อยู่กับเรา แต่เวลาเ็าอยู่กับเราแล้วเราได้ความสุขจากจากอะไรบ้างก็เวลาที่เราได้อยู่กับเขาแต่เวลาไม่อยู่กับเขาเราก็จะได้ความทุกข์หรือเวลาอยู่กับเขาเขาดีกับเราเราก็มีความสุขแต่เวลาเขาไม่ดีกับเราเราจะมีความสุขได้หรือเปล่าอันนี้แหละคือสิ่งที่เราไม่คิดกันเราคิดแต่เพียงด้านเดียวว่าได้มาแล้ว จะดีจะมีความสุขจะเป็นของเราไปตลอดจะอยู่กับเราไปตลอดจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจะไม่จากเราไปอันนี้เป็นความหลงไม่มองตามความจริงถ้ามองตามความจริงแล้วเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปของที่เราได้มาเวลาใหม่ๆก็ดีไปหมดแต่เวลาใช้ไปใช้ไปมันก็เสื่อมสภาพลงไป เดียวมันก็เสียพอมันเสียมันก็ไม่ดีมันเคยให้ความสุขกับเรามันก็จะกลับมาให้ความทุกข์กับเราเพราะเราต้องเอาไปซ่อมเอาไปเปลี่ยนนี่แหละคือคือการใช้ปัญญามองภาพความจริงอย่าไปปล่อยให้จินตนาการของเราหลอกเรา เวลาเราอยากได้และเราจะฝันว่าโ อ, ดอา้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้จะได้ไปสวรรค์จะได้มีความสุขไปตลอดแต่ไม่มองดูตัวอย่างของคนที่เขามีกันบ้างเวลาเขาทะเลาะวิวาสกันเป็นอย่างไรเวลาเขาโกรธเขาเกลียดกันเป็นอย่างไรเวลาที่เขาไม่อยู่ร่วมกันเป็นอย่างไรนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องคิดอยู่เสมอ คิดว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดก็ต้องมีการดับไปในที่สุดเป็นของที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปบางเวลาก็สั่งได้บางเวลาก็สั่งไม่ได้เวลาสั่งไม่ได้แล้วเป็นยังไงปวดหัวไหมสบายใจหรือเปล่า มีความสุขใจหรือเปล่ามีแต่ความทุกข์มีแต่ความเครียดบางครั้งถึงกับไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้ต่อไปอยากจะข่าตัวตายก็เพราะเราไปหลงกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราเราไม่มองความจริงของเขาว่าเขานี้จะไม่สามารถ ให้ความสุขกับเราได้เสมอไปเพราะเขาจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเขาจะต้องเสื่อมลงไปเก่าลงไปแก่ลงไปแล้วในที่สุดเขาก็จะหมดสภาพไปเช่นร่างกายของเราก็จะไม่ได้เป็นหนุม่มเป็นสาวอย่างนี้ไปตลอดร่างกายของเราก็จะแก่ไปเรื่อยๆไม่เชื่อก็ลองดูดูพ่อแม่ของเราดูดูปู่ย่าตายายของเราดู เมื่อก่อนเขาก็เป็นเหมือนเราเขาก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนเราเหมือนกันแต่วันเวลาผ่านไปสังขารร่างกายมันก็จะค่อยๆเสื่อมลงไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วในที่สุดก็จะกลายเป็นคนแก่ไปกลายเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปโรงพยาบาลไปหาหมออยู่เรื่อยๆรยักษาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทำให้โรคภัยไข้เจ็บ หายไปหมดไปเพียงแต่ปวิงเวลาเพียงแต่ทำให้มันไม่สุดลงไปมากกว่าที่เป็นอยู่เท่านั้นเองแต่ทำอย่างไรมันก็ต้องค่อยๆสุดลงไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วในที่สุดมันก็จะหมดสภาพไปพอตายไปมันก็เสื่อมไปเอาไปเผาก็เหลือแต่ขี้เท่ากับเศษกระดู นี่แหละคือสิ่งที่เราลักเราหวงสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความความสุขกับเรากับกลายเป็นสิ่งที่ทาให้เราต้องทุกข์นี่นี่คือผลที่เกิดจากการที่พวกเรามาเกิดกันพอเรามาเกิดมาได้ร่างกายเวลาได้ร่างกายใหม่ๆก็ทุกคนก็ดีอกดีใจพ่อแม่ก็ดีอกดีใจ พอร่างกายจเจริญเติบโตก็ดีใจแต่พอเจ็บไข้ได้ป่วยพอแก่พอตายไปก็ร้องห่มร้องอ้ายเศร้าโศกเสียใจไปนี่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาหาความจริงกันนั่นเองเราถูกความหลงความไม่รู้หลอกให้เราไปหาของต่างๆภายนอกใจของเราพอเราไปหามาเราก็ต้องมา ทุกข์กับสิ่งที่เราได้มาทุกข์เพราะเราต้องดูแลรักษาทุกข์เพราะเราต้องเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่เราต้องสูญเสียสิ่งต่างๆไป <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าทรงมีปัญญาทรงเห็นความจริงอันนี้จึงตัดสินพระทัยว่าจะไม่หาสิ่งต่างๆภายในโลกนี้ออกเอกต่อไปจะหาสิ่งที่แท้ ที่มีอยู่ในใจคือความอิ่มความพอที่จะทำให้เป็นมหาเศรษฐีที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกเพราะการกลับมาเกิดใหม่นี้ก็เท่ากับการกลับเข้ามาหาความทุกข์นั่นเองทุกยอมมีแต่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตาบใดยังมีการเกิดอยู่ตาบนั้นก็ยัง ม, มีความแก่ความเจ็บความตายตามมาอยู่ แล้วไม่มีใครอยากจะแก่ไม่มีใครอยากจะเจ็บไม่มีใครอยากจะตายแต่ก็ไม่มีใครที่จะห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ให้เกิดขึ้นมาได้มีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ความแก่ความเจ็บความตายไม่ปรากฏขึ้นมาก็าคือต้องไม่มาเกิดเท่านั้นเพราะเวลาไม่เกิดแล้วก็จะไม่มีร่างกาย พอไม่มีร่างกายก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมาการที่จะทําให้ไม่มีร่างกายได้ไม่กลับมาเกิดได้ก็ต้องหยุดความอยากเท่านั้นการจะหยุดความอยากก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยากได้นี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราการที่จะมีปัญญาเห็นความจริงเหล่านี้ได้ ก็ต้องมีใจที่สงบใจต้องสงบเวลาใจไม่สงบนี้จะมีความหลงคอยต่อต้านไม่ให้เห็นความจริงถ้าเราบอกว่าทุกความหลงก็บอกว่าไม่ทุกสุขถ้าเราบอกว่าไม่เที่ยงความหลงก็จะบอกว่าเที่ยงถ้าเราบอกว่าไม่ใช่ของเราความหลงก็จะบอกว่าของเราดี อยากได้เห็นกระเป๋าก็อยากได้เห็นรองเท้าก็อยากได้เห็นเสื้อผ้าก็อยากได้เห็นเงินทองก็อยากได้แต่ไม่เคยคิดเวลาที่มันเสียไปมันหมดไปมันเป็นอย่างไรเพราะไม่ใช้ปัญญาใช้ปัญญาไม่ได้เพราะใจไม่สงบใจต้องสงบก่อนเวลาสงบความอยากจะหยุดทำงานชั่วคราวพอความอยากความหลงหยุดทางานชั่วคราว พอไม่มีความหลงมาต่อต้านเวลาบอกว่าไม่เที่ยงก็จะเห็นว่าไม่เที่ยงเวลาบอกว่าทุกข์ก็จะเห็นว่าทุกข์เวลาบอกว่าไม่ใช่ของเราก็จะเห็นว่าไม่ใช่ของเราดังนั้นก่อนที่จะใช้ปัญญาได้ต้องมีความสงบก่อนก่อนที่จะมานั่งสมาธิทําใจให้สงบก่อนต้องไม่มีเรื่องวุ่นวายใจที่เกิดจากการทําบาปก่อนถ้ายังทําบาปอยู่ ก็จะมีเรื่องวุ่นวายใจที่จะทำให้การมานั่งสมาธินี้เป็นไปไม่ได้ก็ต้องรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนรักษาศีลแปดให้ได้ก่อนกานที่จะรักษาศีลแปดได้ก็ต้องเป็นใจบุญสุนทานไม่โลภไม่อยากได้สิ่งต่างๆมากจนเกินความจำเป็นถ้าไม่มีความโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะไม่มี ความจำเป็นท e like like ี่จะต้องไปทำบาปแต่ถ้าอยากจะได้แล้วก็อยากจะได้แบบง่ายๆและรวดเร็วก็จะต้องไปทำบาปไปช่อโกงไปลักทรัพย์ไปโกหกหลอกลวงไปฆ่าผู้อื่นเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนเองอยากได้มาดังนั้นเราจึงต้องทำทานกันอยู่เรื่อยๆเพื่อลดความอยากได้ข้าวของเงินทองให้น้อยลงไป เวลาจากจะเอาเงินไปซื้อข้าวซื้อของก็เอาเงินนี้มาทำบุญทำทานแทนแล้วความอยากได้ข้าวของสิ่งต่างๆก็จะค่อยๆจางหายไปหมดไปแล้วก็จะทำให้เรารักษาสิ่งได้รักษาสิ่งได้เราก็จะทำใจให้สงบได้ทำใจให้สงบได้เราก็จะสอนใจให้ฉลาดได้ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ของเราได้พอเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกไม่ใช่ของเราก็จะไม่อยากได้อะไรพอไม่อยากได้อะไรก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่แหละคือการหาความสุขที่แท้จริงหาทรัพย์ที่แท้จริงต้องหาภายในใจของเราต้องหาด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีด้วยการภาวนา แล้วเราจะได้ไม่หลงไปหาความทุกข์จากของปลอมทั้งหลายของที่จะต้องหมดไปของที่จะไม่อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดนี่แหละคือการเข้าหาพระพุทธศาสนาเพื่อศึกษาหาความรู้หาความจริงที่จะนาพาชีวิตของเราให้ได้ไปพบกับทรัพย์ที่แท้จริงพบกับความสุขที่แท้จริง พบกับการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่แท้จริงต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแก้วก้าปลอดภัยจากทุกภัย อันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ